มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาทุติยวัคนามรูปะปัญหาที่แปดถามว่า นามธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรราชาสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแก่โยมว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ก็นามธรรมนั้นเป็นประการใดรูปธรรมนั้นประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่า ทำสิ่งไรเรียกว่าเป็นธรรมอัญญาบทำสิ่งนั้นเรียกว่ารูปธรรมทำสิ่งไรสุขุมทำสิ่งนั้นคือจิตเจตสิกนี้ชื่อว่านามาธรรมพึงสันนิฐานเข้าใจให้ชัดว่าธรรมอันหญาบเรียกว่ารูปธรรมธรรมอันละเอียดเรียกว่านามาธรรมนามธรรมคือจิตเจตสิกพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ มีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าเชไหนเล่านามนธรรมคือจิตเจตสิกนี้จึงให้ปฏิสนธิรู ป, ปรธรรมจึงไม่ให้ปฏิสนธิเล่าพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอบพิษพระราชสมภารรู ป, ปรธรรมนามนธรรมสองประการนี้ อัญญมัญญะนิสิตาอาศัยแก่กันเอกโตอุปั ช, ชันติบังเกิดด้วยกันใช่แต่จะปฏิสนธิแต่นามธรรมสิ่งเดียวหาไม่ได้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินบรมกษัตริย์ตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อนพระนาคเกษถวายพระพร ว, ว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภาร เปรี้ยปานดุดไข่ไก่กะละลังณภพเวยะถ้าไม่บังเกิดค้นเข้าเป็นกะละละกลมเป็นก้อนก่อนก็บรหนจะเป็นไข่ขึ้นได้ตกว่าอาศัยกันไข่กับกะละละนั้นจึงบังเกิดเป็นชั้นใดก็ดีรูปธรรมนามธรรมนี้ก็อาศัยกันเกิดด้วยกันที่ขมัดฐานนางสัมภาวิตัง เวียนวนมาในวัฏฏะสงสารสิ้นการช้านานบ่อพิษพระราชสมภารจงทราบพระยานด้วยประการชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ได้ฟังก็โสมนาตรัสว่ากัาโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณนี้สมควรแล้วนามรูป ป, ปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้